สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการกรอบข่ า, าวเช้าวันศุกร์ค่ะเจอกันในช่วงเวลานี้นะคะในเช้า ว, วันศุกร์แบบนี้ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะหรือที่ทางวฟนเพจ Facebook นะคะวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกระทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการนะคะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังเพียงคนเดียวเนื่องจากว่าคุณปิยพงศ์ลาป่วยนะคะสุขภาพยังไม่แข็ง แรงเท่าไหร่แต่ในสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเจอกับคู้ฟังได้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ช่วงนี้เองนะคะก็มีเรื่องของการเตือนภัยเกี่ยวกับ น้ำท่วมนะคะในช่วงฤดูฝนเองซึ่งประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในต่างจังหวัดเองก็ตามมา น, นะคะก็ต้องมีการติดตามระมัดระวังอย่างแรกเลยก็คือการฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมที่ยานะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลการเตือนภัยจากด้านของปพด้วยรวมไปถึงตอนนี้หน่วยงานหลายฝ่ายเองแม้แต่ทางทหารเองก็มีการลงพื้นที่ในการที่จะเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องระมัดระวังเหตุการณ์นะคะ ระหว่าง13ถึง19มิถุนายนนี้ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าความไม่ปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับพายุต่างๆในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างน ะ, ะที่หลายๆท่านเองก็ะจะต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะก็คือการดูแลเรื่องของไข้หวัดนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็มีการเปิดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดสี่สายพันธุ์ได้ฟรีแล้วนะคะสำหรับเจกลุ่มเสี่ยงด้วยกันซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็เปิดให้ฉีดได้ฟรีส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็สามารถที่จะดูโปรแกรมในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดได้นะคะตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเขาก็จะมีการลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับค่ายาเท่าไหร่นะคะหรือว่าค่ายากับค่าพยาบาลนะคะค่าเกี่ยวกับ ทางการแพทย์อีกเท่าไหร่นะคะซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเองก็จะมีการระ บ, บุไว้อย่างชัดเจนในหน้าเว็บไซต์นะคะหรือสามารถโทรสอบถามได้โรงพยาบาลใกล้บ้านคุณก็ได้ค่ะเริ่มต้นกันในวันนี้นะคะกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะเป็นเรื่องราวของรัฐบาลค่ะเตือนประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวลือกรณีมีการพูดถึงกันว่าจะมีการเปิดบัญชีจากเงิน 3,000 บาทนะคะยืนยันค่ะยังไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตั้งเป้าพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ เรื่องราวนี้นะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพลโทวิรชนสุคชนท่าปฏิภาคได้ปเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนมากเลยนะคะไปเข้าคิวเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพเช่นที่จังหวัดพะเยาไปเพื่อจะไปเปิดรับเงิน 3,000 บาทจากรัฐบาลโดยพลโทวิรชนบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเป็นข่าวลือเท่านั้นค่ะซึ่งรัฐบาลยังคงสนับสนุนเงินสวัสดิการแก่ผู้มีไรายได้น้อย ตามเกณฑ์เดิมเช่นค่าซื้อสินค้าอุปกรณ์บริโภคอุปโภคค่ารถค่าน้ําค่าไฟนะคะไม่มีการโอนเงินส0 0พันบาทให้ตามที่มีข่าวลือออกมาค่ะทั้งนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ยังไม่มีนโยบายในการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อเนื่องค่ะดังนั้นนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว15บหาขออภัยค่ะราวสิบล้านคนก็ไม่ต้องคิดมากกังวลในเรื่อง ะะที่ผ่านมาคะ่ะรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการเงินได้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำธุรกรรมก็เลยออกมาตรการนะคะให้ผู้ถือบัตรสการแห่งรัฐและผู้สูงอายุสามารถเปิดบัญชีเงินพื้นฐานได้1บัญชีต่อ1ธนาคารนะคะไม่กําหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดและเงินคงเหลือในบัญชีค่ะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและก็รายปีในการฝากถอนหรือโอนกับธนาคารพาณิชย์และยังสามารถทําบัตร ATM กับธนาคารที่ ร่วมโครงการได้ด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็รายปีนะคะแต่ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์จะต้องมีการลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อให้ได้รับข้อยกเว้นธรรมเนียมเหล่านี้ค่ะก็เป็นข่าวสารของรัฐบาลที่ฝากมาถึงประชาชนนะคะไม่มีการแจกเงิน 3,000 บาทค่ะมากะที่ทางด้านของหอการค้าไทยนะคะมีการแนะนํารัฐบาลชุดใหม่ใช้วิธีการนะคะเป็น2วิธีในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบค่ะ โดยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยห อ, อการค้าไทยคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะคะบอกว่าจะสถานการณ์นี่ครัวเรือนของไทยปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเห็นได้จากไตรมาสสี่ของปีที่แล้วค่ะซึ่งอยู่ที่ 12.8 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% และคิดเป็น 88.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นะคะแต่ยังไม่ถึงระดับ 80% ของ GDP จึงยังไม่รุนแรงแล้วก็ไม่น่าเป็นกังวลมากนะะักค่ะทั้งนี้ นี่นะคะปัญหานี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นต้องนำ ม, มาวิเคราะห์นะคะว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเช่นกู้เงินเพื่อการดำเนินธุรกิจ กู้เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอกู้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยหรือกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินนะคะขณะที่ข้อมูลจากสํานัก ง, งานสถิติแห่งชาติก็มีการระบุว่าโครงสร้างหนี้ของประชาชนเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยค่ะก็คือกู้เพื่อการดําเนินธุรกิจ 33.3 สเปกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน 33.3 สเเซและกู้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวัน 33.3 สเปเซนะคะดังนั้นก็ เชื่อว่าโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนค่ะประชาชนก็ยังมีวินัยในการก่อห น, นี้และปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อนําเงินไปลงทุนในการดําเนินธุรกิจซื้อทรัพย์สินแล้วก็จับใจ่ายในชีวิตประจําวันเพื่อทําให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นนะคะ อย่างเราก็ตามค่ะจะเห็นได้ว่าปัญหานี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะน่าจะมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจดังนั้นแล้วค่ะรัฐบาลก็ต้องแก้ไขด้วย2วิธี1เลยค่ะก็คือต้องเร่งดําเนินการเพื่อทําให้เศรษฐกิจเกิดความคล่องตัวประชาชนจะได้มีรายได้มาผ่อนชานําระหนี้และ2นะคะต้องมีการให้ความรู้ทางการเงินนะคะควบคู่ไปว่าการก่อนหนี้นันต้องเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่ามีผลตอบแทนในการกู้ยืมเพื่อให้ประชาชนสามารถหาเงินมาชําระหนี้ได้ค่ะ นี่ก็เป็น2วิธีการที่ทางามาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็แนะนำให้รัฐบาลเนี่ยไปลองใช้ดูว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของอนี่นอกอขออภัยค่ะนี่ครัวเรือนที่สูงขึ้นได้อย่างไรด้วยค่ะ พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะมากันที่เรื่องของการรักษาพยาบาลกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะกรมการค้าภายในเองมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกราารออกรรให้ยารักษาโรควัชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีที่ต้องควบคุมนะคะและสุดคามีการขีดเส้นให้กับโรงพยาบาลเอกชนต้องแสดงค่ายาให้กับกรมการค้าภายในภายในวันที่27่สิกรกฎาคมนี้นะคะหลังจากพบว่าบางแห่งมีการคิดค่ายา ค่รารักษาพยาบาลแพงกว่าต้นทุนถึง1 6 0 0ต0ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ 16,000% ค่ะ นายวิชัยโภชนา ก, กิจอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็พูดถึงการที่มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกอกรรนะคะซึ่งมีการกําหนดประกาศ45วันโรงพยาบาลเอกชน353แห่งต้องจะส่งรายละเอียดแล้วก็ฐานข้อมูลราคาซื้อแล้วก็ขายค่าบริการต่างๆให้กับกรมการค้าภายในทําฐานข้อมูลถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการคิดค่ายายแล้วก็ค่าบริการหรือภายใน ที่สิกรกฎาคมจากนั้นนะคะกรุมกันค้าภายในจะใช้เวลาไม่เกิน15วันในการทําฐานข้อมูลค่ะแล้วก็เปิดให้โรงพยาบาลเข้าถึงฐานข้อมูลและจะส่งให้ทุกโรงพยาบาลได้จัดทำ QR code ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะคะผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกสามารถที่จะตรวจนะคะเช็คราคาแล้วก็ค่าบริการก็ตัดสินใจว่าจะมีการซื้อยาภายในโรงพยาบาลหรือซื้อนอกโรงพยาบาลดีรวมถึงการนําข้อมูลทั้งหมดนะคะขึ้นเว็บไซต์ของ กลมการค้าภายในด้วยนะคะซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินวันที่27กระกฎาคมนี้ค่ะก็จะเห็นฐานข้อมูลราคายาแล้วก็ค่าบริการบนเว็บไซต์นะคะสำหรับยาฉุกเฉิน 3,892 รายการรวมถึงยาที่โรงพยาบาลขายดีที่สุดอีก100รายการค่ะ อยู่ที่3 9มพรายการอีกทางนะคะก็ยังมีราคาเวชภัณฑ์แปดรายการและค่าประการอีก5286รายการด้วยกันค่ะโดยกรมการค้าภายในเองนะคะไม่ได้มีการกําหนดเพดานราคาสูงสุดนะคะเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเองก็มีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะเหมือนอย่างโรงแรมนะคะก็เปรียบเทียบว่าโรงแรมหรูเนี่ยนะคะก็มีบริการ5้ดาวสีดาว3าดาวแต่ที่ชัดเจนก็คือราคายาถึงแม้ต้นทุนซื้อแล ก็จำนวนไม่เท่ากันแต่สปะคุณเหมือนกันแล้วก็รักษาโรคเดียวกันด้วยราคาก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากค่ะที่น่าตกใจก็คือมีการตรวจพบว่ามีหลายโรงพยาบาลเลยนะคะคิดราคาค่ายาบวกกับค่าบริการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆด้วยนะคะซึ่งทําให้โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยยาชนิดเดียวกันนะคะกำไรห่างกัน300เปถึง 8% ปดพซที่น่าตกใจกว่านะคะบางแห่งเนี่ยราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนถึง1 6ึ่งต ซึ่งอยู่ในบัญชี150อาชนิดนะคะซึ่งเัญญยาฉุกเฉินและก็โรคระดแรงด้วยกลุ่มนี้นะคะหลังจากได้ข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการเรียกมาชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจต่อไปด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่มีการร้องเรียนมาก็คือผู้ป่วยคามีการจ่ายยารักษามะเร็ง1โดสนะคะคุณฟังคะต้นทุน1 0 0 0แสนบาทแต่โรงพยาบาลคิด8 0 0แสนบาทค่ะ ตอนนี้นะคะก็ยังถือว่าโรงพยาบาลใดที่ทําผิดกฎหมายอยู่นะคะจนกว่าจะหมดกรอบระยะให้ปรับตัวก็คือหลังวันที่27กรกฎาคมนี้แต่สําหรับผู้ป่วยนะคะสามารถร้องเรียนได้ถ้าหากพบว่าคุณถูกคิดค่ายาหรือว่าการรักษาไม่เป็นธรรมนะคะให้ส่งเรื่องร้องเรียนมาได้เลยที่กรมการค้าภายในหรือที่สายด่วน1569ค่ะซึ่งขนานี้มีผู้ร้องเรียนต่อเนื่องเลยนะคะในตอนนี้มี2รายแล้วค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีก็คือ1รายนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เรียกขมาชี้แจงนะคะ ส่วนอีกหนึ่งรายได้ส่งแจ้งความกับตำรวจแล้วและรอตำรวจส่งสำนวนว่าจะมีการฟ้องศาลอย่างไรค่ะยังมีครั้งหนึ่งนะคะใครที่พบเรื่องของการคิดค่ายาหรือว่าค่าบริการแพงเกินจริงมากๆเลยนะคะสามารถแจ้งในที่กรมการค้าภายในหรือทางสายด่วน1569ค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามกระแสของบัตรพลังงานค่ะบัตรพลังงานคืออะไรบัตรพลังงานรักษาโรคได้สารพัดจริงหรือไม่ติดตามเรื่องราวนี้กันในช่วงหน้ากับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะ พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนดินบนสะพานที่ไม่ปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไม เดานมานานานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที มีทางใดที่อาจทำให้เธอสอนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่เอลาล่ะก็เท่านั้นภายในใจเขารักเธอเหมือนเดิ จะดีไม่น้อยจะเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอเหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมนานมานานนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร จนกว่าเธอจะรักฉัน ใกลจนกว่าฉันจะคลายบอกทีอีไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางไดที่อาจทำให้เธอ ตอบข่าวเช้าวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ข่าวเราก็อิงกับกระแสนะะหลังจากที่เราเห็นหลายๆคนนะมีการ พูดถึงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับบัตรที่ชื่อว่าบัตรพลังงานค่ะเตือนภัยนะคะบัตรพลังงานอ้างรักษาได้ทุกโรคนะคะสคุณครอบจักรวาลเลยค่ะแค่พกก็แข็งแรงแปะรถช่วยประหยัดน้ำมันแปะปลั๊กค่าไฟลดลงพบนะคะบริษัทที่จะทำบัตรนั้นเงียบกริบเลยค่ะหลังจากเคยถูกจับมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ ในวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีการได้รับแจ้งว่าที่บ้านสาราดินตมบสีสุขสำราญอำเภอบนรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการซื้อขายบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งอ้างว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคได้ค่ะโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายวิธีการนะคะก็คือการนำบัตรเนี่ยไปแตะบริเวณที่ปวดหรือนาแก้วน้าไปวางบนบัตรนะคะและนับ1ถึงจากนั้นก็นามาดื่ม วิธีหนึ่งนะคะก็คือการเอาบาดไปจุ่มในแก้วน้ำแล้วนำมาดื่มแล้วอ้างว่าวิธีนี้สามารถช่วยให้การบรนเทาทุเลาลงได้ค่ะ โดยนายทวีเพียรินเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกชักชวนเข้าอบรมในการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดนายทวีเรียกบัตรนี้ว่าบัตรพลังงานนะคะเพราะสามารถใช้รักษาอาการปวดหลังของตัวเองได้ซึ่งก่อนจะได้บัตรนี้มาค่ะก็มีคนจากบริษัทแห่งหนึ่งชักชวนให้เข้าอบรมแล้วก็สาธิตสัพคุณของบัตรให้ดูช่วงระหว่างการสาธิตนะคะเมื่อพนักงานนำบัตรมาแตะที่ตัวตนเองรู้สึกว่ามีอาการชาและพอนำบัตรออกก็หายจากอาการชานั้นก็เลยตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้สมาร์ทการ์ดนำกลับมาใช้สมัครครั้งแรกนะคะ ก็มีการให้เลขที่บัญชีกับเจ้าหน้าที่จ่ายเงินไป 4,400 บาทค่ะได้บัตรมา5ใบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาบอกต่อคนที่สนใจขายให้ในราคา 1,100 ถึง 1,500 บาท ต่อไปนะคะเพื่อนําไปรักษาอาการปวดเมื่อยซึ่งหากขายได้นะคะมีสมาชิกเพิ่มก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาในบัญชีค่ะทางด้านของคุณทองศรีวงชัยเวทนะคะอายุ66ปีแล้วค่ะซึ่งเป็น1คนที่ซื้อบัตรมาจากคุณทวีราคา 1,100 บาทนะคะเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองมีอาการปวดหลังมีน้ําไหลออกมาจากหูก่อนหน้านี้นะคะเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่หายค่ะก็เลยไปลองซื้อบัตรพลังงานมาใช้แต่อวัที่หลังนะคะปรากฏว่าอาการน้ําที่ไหลออกจากหูเนี่ยหาย ไปขณะเดียวกันนะคะตนเองก็ได้ทานยาจากโรงพยาบาลที่ให้หมากควบคู่ไปด้วยเมื่อถาม น, น, นะคะคุณทองศรียอมรับบอกว่าหลังจากใช้บัตรนี้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าบัตรเนี่ยมันสามารถช่วยได้50เเซขณะที่ทีมข่าวนะคะมีการไปสอบถามชาวบ้านอีกหลายรายเลยค่ะพบว่าไม่เพียงแต่ชาวบ้านสาราดินเท่านั้นนะคะที่มีการซื้อขายบัตรสมาร์ทการ์ดหรือบัตรพลังงานค่ะก็มีอีกหลายหมู่บ้านที่มีบัตรลักษณะเดียวกันหลายคนนะคะไม่เชื่อว่าบัตรนี้จะสามารถรักษาอาการเจบป่วยได้ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบนะคะเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายจากกรณีแบบนี้เพิ่มขึ้นและมองว่านี่เป็นการหลอกลวงค่ะโดยเมื่อวันที่13มมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ ทางผู้สื่อข่าวเองก็มีการลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่บริษัท Expert Pronet Work วิรกจำกัดนะคะที่ถนนพิพัฒนงเคราะห์4ตำบลหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งมีการระบุว่าประกอบกิจการบัตรพลังงานรักษาโรคนะคะก่อนที่จะปรากฏเป็นข่าวดังที่จังหวัดขอนแก่นว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยซื้อไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยนั่นเองค่ะจากการตรวจสอบนะคะบริษัทแห่งนี้เป็นตึกแถว2ชั้น3คูหาค่ะมีชื่อป้ายบริษัทใหญ่โตแต่บรรยากาศเีย เงียบเงานะคะไม่มีใครอยู่เลยค่ะสภาพเหมือนถูกปิดตายมาพักใหญ่แล้วตัวอาคารไม่ได้ถูกใช้งานนะคะและจะ ก, การติดตามหมายเลขของบริษัทก็ไม่สามารถติดต่อใครได้ชาวบ้านในละแวะกบอกว่าไม่รู้ว่าบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทอะไรนานๆครั้งนะคะถึงจะมีคนเข้ามาในบริษัทบางครั้งก็เหมือนกับการ น, นัดประชุมสมาชิกหลายๆคนเสร็จแล้วก็ปิดเงียบไปค่ะ โดยคนต้นน้ำนามสมมุติบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับบัตรพลังงานจากเพื่อนนะคะที่เป็นสมาชิกมาหนึ่งใบขายราคา 1,100 บาทอ้างสรรพคุณครอบจักรกวาลเลยค่ะเช่นพกติดตัวนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นถ้าไปติดที่ถังน้ํามันรถก็ทําให้รถประหยัดน้ํามันหรือนําไปติดที่ปลั๊กไฟก็ประหยัดพลังงานนะแต่จากการทดลองนาไปใช้จริงก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะคะมั่นใจเลยค่ะว่านี่คือการหลอกลองวงผู้บริโภคแน่นอนบริษัทนี้นะคะไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของที่สําคัญนะคะ ก็คือเปลี่ยนป้ายบริษัทบ่อยมากๆด้วยค่ะจากการไปเช็คข้อมูลย้อนหลังนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขสงขรานะคะทราบว่าเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะบริษัทนี้นะคะเคยถูกจับมาแล้วเพราะมีการร้องเรียนเรื่องบัตรพลังงานเช่นเดียวกับกรณีนี้ค่ะและมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทผลิตเครื่องสําอางจึงถูกปิดตัวไปแล้วก็ส่งเรื่องให้สกบดําเนินคดีนะคะแต่กรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานกับหน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบอีกครั้งในการดําเนินการทางคดีค่ะเมืองต้นทราบว่า กาจดทะเบียนประกอบกิจกรรมขายตรงเครื่องอบภคนะคะโดยวันที่จดทะเบียนก็คือ31มกราคมปี2556ค่ะทุนจดทะเบียน1ล้านบาทสถานภาพทางธุรกิจยังคงดำเนินการอยู่นะคะและใช้ที่ตั้งเดิมกับบริษัทที่ถูกปิดไปแล้วค่ะ ทนา น, นความเห็นนะคะของอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะก็มีการโพสผ่านแฟนเพจเฟ e บุ๊กของตัวเองค่ะเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ก็เตือนถึงบัตรดังกล่าวนี้นะคะหลังจากที่ชาวบ้านใช้รักษาโรค ก, ก็มีข้อความระบุวว่ามีการพลังงานลวงโลก กลับมาแล้วนะะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเช่นเดียวกับแฟนเพจ Facebook หมอ lab panda นะคะหรื อ, อนักเทคนิคการแพทย์นะคะนายภาคภูมิเดชหัดสดินค่ะมีการโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อนะครับบัตรพลังงานอะไรเนี่ยอ๋อสงสัยจะเป็นพลังงานจนซื้อแล้วจนทันที ที่จริงมันเคยระบาดมาตั้งเกือบ10ปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะกลับมาอีกมาคราวนี้รักษาโรคได้ด้วยแม้มีอ้างว่าเป็นเทคโนโลยีของไอสต่าด้วยนะครับถ้าไอสต่ากลับมาได้คงต้องบอกว่าตูไม่เคยพูดเจอที่ไหนแจ้งมาเลยครับตอนนี้ทางบอกกอปอกขอบอกระกลังลุยจับอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เจอเคสแบบนี้มีคนมาชักชวนขายบาัตรพลังงานนะคะอย่าไปหลงเชื่อดัดขาดเลยค่ะกูฟังคะไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้จริงนะ เป็นเพียงแค่ต้องเรียกว่าเป็นการหลอกลวงการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดค่ะทิ้งท้ายกันนะคะกับกระแสในช่วงนี้ที่เรามักจะเห็นดารานักแสดงนะคะรับในการรีวิวเครื่องสำอางนะคะ ลดน้ำหนักบ้างละ่ะความสวยความงามบ้างล่ะค่ะและสุดค่ะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะได้เผยผลตรวจอาหารเสริมอ้างลดน้ำหนักเสริมสมรรถภาพทางเพศชายผ่านออนไลน์นะคะเจอสารอันตรายเพียบเลยค่ะเตรียมส่งเรื่องถึงออยอให้ลงโทษสูงสุดพร้อมถึงยังระบุถึงดาราพิตตี้นะคะต้องหยุดใช้ชื่อเสียงตัวเองหลอกลวงให้ผู้บริโภคเชื่อถือค่ะ นางสาวสาลีอองสมหวงังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเปิดเผยว่าจากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงกลุ่มที่อ้างว่าช่วยเรื่องการลดน้าหนัก15ตัวอย่างและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ชายนะคะกลุ่มที่อ้างว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ10ตัวอย่างโดยสั่งซื้อจากตลาดออนไลน์ซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อเดือนมีนาคม2562ค่ะผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักมีการผสมไซบูตรามีนฟูออกซิทีน เฟนฟรูรามีนและบิซาโคตินค่ะ ผลจากการตรวจสอบทั้งหมดนี้นะคะก็มีการส่งให้คณะกรรมการอาหารและยาหรืออยไปตรวจสอบแล้วก็เพิกถอนทะเบียนดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะและขอให้มีการลงโทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติอาหารมาตรา25วงเล็บ1อาหารไม่บริสุทธิ์โทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและตรา ม, มาตรา25วงเล็บ2นะคะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง1 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้นะคะในกรณีอาหาร ารเสริมที่มีการอ้างว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะที่มีสารไซบูตรามินค่ะซึ่งยกระดับเป็นสารต้องห้ามก็มีการลงโทษสูงสุดนะคะโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีปรับตั้งแต่5 0 0แสนถึง2ล้านบาทเลยค่ะผู้ใดขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5, อ่าขออภัยค่ะ ตั้งแต่4ถึง20ปีนะคะปรับตั้งแต่4 0 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทผู้ใดครอบครองนะมีโทษจําคุก1 5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะซึ่งทั้งผู้ผลิตจําหน่ายค่ะแล้วก็ขอเรียกร้องให้ตลาดออนไลน์ปลดสินค้าผิดกฎหมายออกด้วยขึ้นแบล็คลิสต์ผู้ค้าห้ามนําสินค้ามาจําหน่ายเป็นเวลา3ปีด้วยนะคะยังก็ตามแล้วค่ะตอนนี้มีการร่วมกับหน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องนะคะในการยกร่างหลักเกณฑ์การคุ้มครอง ตลาดออนไลน์ภายในเดือนกระกฎาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณสารีย้าว่านี่ไม่ใช่แค่อาหารเสริมค่ะแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยไม่ต่างจากการฆ่าคนตายเพราะกินแล้วถึงตายก็มีเฉพาะที่มีตัวเลขอย่าไม่เป็นทางการเสียชีวิตไปแล้ว4ี่รายนะคะดังนั้นแล้วค่ะบรรดาพิตตี้ดารานักแสดงที่มีอิทธิพลแล้วก็อาศัยเครดิตในหน้าที่การงานของตัวเองมาโน้มนาผู้บริโภคแบบนี้นะคะท่านที่บางคนเนี่ยก็ใช้จริงบางคนไม่ได้ใช้จริงจดังนั้นแล้วนะคะขอให้ระมัดระวังนอกจาก ว่าจะดูผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของเอามาให้รีวิวนั้นมีการใช้ถ้อยคําโฆษณาที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือยังนะคะที่สําคัญผู้บริโภคเองขอให้ระมัดระวังด้วยอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่มีเลขสารระบบของออยแล้วเท่านั้นแต่ให้ดูถ้อยคําโฆษณาด้วยถ้ามีการเคลมว่าลดน้ําหนักเสริมสมรรถภาพทางเพศแสดงว่าไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าอาหารเสริมนั้นจะอยู่ในประเภทของอาหารห้ามเคลมสรรพคุณไม่มีผลในการลดน้าหนักหรือการรักษาโรคใดๆค่ะ นี่คือเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นรีวิวนะคะดารานักแสดงนักร้องต่างๆที่เขาอาจจะมีการรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะก็ขอให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีกว่านะคะแล้วก็ไปลองตรวจรายละเอียดกันอย่างยิบย่อยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะช่วยในการรักษาได้จริงหรือไม่แต่ที่บอกนะคะก็คืออาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่มีการอ้างสปปรรพคุณเกินจริงนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายค่ะและถ้าหากว่าใครสนใจที่จะตรวจ นะคะว่าอาหารเสริมเหล่านั้นเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยที่ออยค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่ดิฉันนํามาพูดคุยกับคู่ฟังค่ะในรายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะซึ่งคู่ฟังสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ในทุกๆวันศุกร์นะช่วงเวลาเช้าเชแบบนี้ทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ที่ชันอาทิตยาปกทนังต้องขอลาการไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMTT Moving Towards Innovative University วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8.5 เมกเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต